ทำวัดจบเราก็นั่งปฏิบัติธรรมเราก็นั่งฟังธรรมกันก็ดีวันนี้การทำวัดฝึกกันเปลี่ยนกันสวดไปเรื่อยๆเหมือนกับประช่อน แม่ปลาช่อนเวลาดนในพรานเอาเหยื่อมาล่อฮุบเบ็ดเข้าไปต้มไปแกงแตัวลูกปลาช่อนก็ยังปลอดภัยอยู่เวลามีแม่ปลาชอ่อนตัวอื่นมาเห็นเข้าหรือว่าปลาชอ่อนตัวอื่นมาเห็นเข้าก็ก็จะช่วยดูแล ไม่เกี่ยวกับว่าตั้งท้องไข่เองแล้วฟักเป็นตัวมาเองไม่เกี่ยวกันนี่เป็นสัสญชาตญาณของสัตว์หลังจากที่อีกตัวหนึ่งตายไปตัวอื่นก็ต้องมาดูแลกันแทนก็เป็นอย่างนี้เราเชาวัจจาวาทำวัดเสด็จมลก็สามารถทําได้ทุกคนนั่นแหละนำกันได้ แล้วก็พร้อมมันมีผู้นําก็มีผู้ตามก็ขึ้นเสียงสูงแล้วก็สูงด้วยก็ขึ้นเสียงต่ําแล้วก็ต่ําด้วยเป็นการให้ผู้นําได้แสดงออกเต็มที่ก็ผ่านไปด้วยดีโอวาตปาธิมโมกเนบีบทที่เราสวดนี่มีความสาคัญมากเป็นหลักการในวัฒนธรรแล้วก็เป็นทั้งอุดมการของชาวพุทธ จะต้องน้อมนำก็ามาใส่ตนปฏิบัติตามท <c oughs> ุกๆาศาสนาก็จะสอนให้ทุกคนละชั่วทมดีทุกๆาศาสนาเป็นอย่างนั้นละชั่วทมดีแต่ว่าที่แปลกและก็พิเศษในุศาสนาคือชำระจิตให้ข่าวรอบซึ่งในทุกๆาศาสนาไม่มีการชี้นำกล่าวถึงอย่าง ตรงไปตรงมาแล้วก็ชัดเจนนะวันมาคบูชานะวันเป็นเดือนสามประสงค์มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมาย1250นะ 1, คนนะที่เมืองราชคือนะวัดเวลุวันก็มารวมกันนะรวนแล้วแต่เป็นตะกีณาศพหรือว่าพาระลหัน์น่นะหมดทุกแลนะมาหาพพุทธองค์พระองค์ก็ กล่าวโอวาตปาดิโมกนี่แหละเป็นหลักการให้ไปประกาศดีหนึ่งหลักของศธรรมความจริงให้มีอุดมการณ์าจาพุทธมีความอดทนอดกลั้นอย่างนี้รู้จักสงบหาที่ที่มันสงบวิเวกวิเวกหน่อยประมาณในการบริโภคแค่ไหนเล่าประมาณแค่ไหนเล่าพอดี ดีแล้วพอแล้วพอแล้วดี<ม>ก็ต้องพอแล้วดี<ม>ถ้าดีแล้วพอมันก็ไม่รู้ว่าตรงไหนหคือดี<ม>แค่ไหนอ่ะมันจะพอเ ม, มื่อไหร่ท่านก็ประกาศตรงๆลงไปเราพระสง์ที่มาน้อมนำไปแล้วก็ประกาศต่อๆกันไปจนถึงยุคนี้แหละยุคเรานี่แหละเจ้าชายเจตาก็ ไม่ใช่สามัญชนคนธรรมดาตัวๆไปโอ้รสสารที่แรกพร้อมที่จะเป็นจอมจกักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ท้ายสุดได้เป็นศาสตาาเอกของโลกคนพบหลักศัจธรรมโดยวว่าวิชาพุทธ ศ, ศาสนาเป็นศาสตร์ที่19 19ต้อเงให้จบมา18ศาสตร์สปริญญานิติศาสตร์ก็จบดาราศาสตร์ก็จบหมอก็จบติช่าพยาบาลก็จบ คณิตกะกนิษตาศกระจบสังขยาวิศวกรรมกระจบโยคะทหารกระจบมาช้ายาพิชายดสงกรามวิชาคณิตศาสตระจบสังขยาสิปริญญาแต่ท้ายสุดก็คือยังมีความทุกข์อยู่เห็นแล้วไม่ใช่ทางหรอกมีปัญหาอยู่การเกิดการแก่การเจ็บการตาย นันคืออะไรสวบ้นะเป็นทางออกนันคืออะไรพอค้นหาหลักสัจธรรมจนเกิดปริญญาทำให้เห็นเหตุแห่งทุกข์แล้วก้าวล่วงออกจากความทุกข์ได้ <c oughs> เห็นที่กายที่ใจก็ได้ปริญญาขึ้นมาอีกสามใบยาตะปริญญา ตีลักณะปริญญาแล้วท้ายสือปหาณปริญญาแล้วตีโทเอกนั่นแหละต้นตรู้ด้วยการรู้รู้สึกตัวนี่แหละรู้เข้าไปแล้วก็แจกแจงออกไปมันคืออะไรรูปตามน้ำตามขัน5รูปตามมันเป็นไงกายฟางสอกยาวนาคืบเกิดจากท้องแม่แล้วก็ตายจากโลกนี้ไปมาถึงเวลาเริ่อไม่ถึงเวลาก็ตาม จิตที่มันทั้งวันมันคิดเก่งเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับอันนี้มันเป็นโอปปะติกะเกิดดับเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นเปลเป็นสันนลกเป็นอสู ร, รกายอบบยูมิในจิตร้อนลุ่มร้อนลนทุลนทุลายแล้วก็อยู่ยากและร่างกายถึงมันจะสมบูรณ์แบบแต่วจิตไม่สมบูรณ์แบบนะครับอกครับใจครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยาก ก็เกิดการแจกแจงขึ้นมาเห็นไกลเห็นใจตามความเป็นจริงเห็นอาการต่างๆโดยเฉพาะความคิดการปรุงกันแต่งที่เราสวดบทต่อมาโครงเรือนเรารู้จักเจ้าเสียแล้วเราลื้อออกมาแล้วเจ้าจะทำเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปก็คือตัวตันหาอุปทานนั่ะตัว สังขารการปรุงแต่งนะที่มันสร้างมโนภาพอยู่เป็นประจำนะทุกวัน ท, ทุกขณะที่เผลอเมื่ อ, อไรไม่รู้สึกตัวเมื่อไรนะมันจะมีอาการนะเผลอหลงไปหลงรักหลงชังนะปรุงแต่งเป็นดีเป็นชั่วมากมายเหลือเกินครานี้ก็รู้เท่ารู้ทานแจกแจงแล้วก็จบเป็นนะบางอย่างกำหนดรู้นะ การรู้บางอย่างกาหนดรู้ดยการละดยการละก็คือนะความคิดนะอย่าไปยุ่งกับมันมันคิดมาอ่อไหละทันทีจบทันทีนะละทันทีจบทันทีได้ผริญญาทันทีทุกๆุกแกลงที่กาหนดรู้ใยการรู้นะก็เป็นนะการรู้แล้วก็ไม่ทุก มันก็มีเหมือนกันอะไรบ้างที่ต้องกําหนดรู้ด้การรูนะ้อะไรบ้างที่กําหนดรู้ด้การผ่อนคลายบรรเทากําห น, ะนดรู้ด้ยการรู้นะเช่ น, ะนอาการนะที่มันเกิดขึ้นมาความหิวอย่านงะเรากําหนดรู้ด้การรู้รู้แล้วนะตอนนิ่มใจเวลาที่จะต้องนะไปฉันอย่างเงี้ยเราถือสินแป เราก็ากำหนดรู้ดในการรู้มันไม่ใช่เวลาถ้ามันใช้เวลาปับ๊บเราก็ผ่อนคลายบรรเทาให้เขาแก้ไขให้เรามื้อเช้าอย่างเงี้ยมือเพนอยนเราก็ละไปเลยกําหนดรู้ในการรูนะ้เวลามันปวดหัวตัวร้อนไม่สบายนะอย่างเงี้ยเจ็บคอนะจะรักษาผ่อนคลายบรรเทายัางไงมันก็ไม่หายหรอกนะเราก็กําหนดรู้ในการรู้นะ เราก็ไม่รีบนะที่จะมามีความทุกข์ตนะีออกชกหัวตัวเองนะกลรดดาตัวเองนะตามมีตัวเองเราก็ไม่ทําแบบนั้นนะกนําหนดรู้โดยการผ่อนคลายบรรเทานะอย่างตอนนี้เนะสียงโทราศัพท์มันดังนะคนก็พูดโทราศัพท์มันดังอย่านะเราก็กําหนดรู้โดยการรูนะ้เราก็ไม่ต้องลุกหนีไปไหน ไม่ต้องผ่อนคลายบรรทาไปไหนอย่างเงี้ยเราก็รู้อยู่แต่ว่าเออไม่เป็นไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่ต้องหนีไปไหนด้วยพอท้ายสุดมันก็เกิดดับไปเองอย่างเงี้นะอันนี้ของจริงนะหรือเวลาเรานั่งเนี่ยถ้านั่งเราเจ็บเรบปวดนะในอีกแล้วน่าดังอีกแล้วนะเนี่ยได้ยินไหมได้ยินไหมเสียงมันดังอย่าเนี้ยแล้วถามน่อยใจเรามาฟังเสียงเทศแล้วฟังเสียงโทรศัพท์ที่มันดังไปหาตัวไหนมันก็รู้ทั้งสองตัวนั่นแหละ แต่เป็นก็ว่ามันก็ใส่ใจกับเสียงที่พูดเพราะว่ามันพูดนะไม่เป็นเรื่องของทำแม่ที่เราจะน้อมเข้ามาแล้วก็ศึกษาตัวเราตรงๆเสียงตัวจากมันดังเรากําหนดรู้โดยการรู้แล้วมันก็ดับไปเองตามเหตุปัจจัยของมันส่วนกนําหนดรู้โดยการผ่อนคลายบรรเทาแก้ไขเช่นเราปวดปัสสาวะอย่างเงี้ยเราก็ผ่อนคลายบรรเทาแก้ไขนะเมื่อถึงเวลาถ้ายังไม่ถึงเวลา เราก็กดข่มนิดนึงนะกันตีอดทนอดแกล้นก็ไดนะ้อย่างนีน้อันนี้เราสามารถที่จะเกี่ยวข้องได้ทันทีนะหรือว่าละทันทีเลยเมื่อเกิดความคิดขึ้นมาเนะี่ยเราไม่ต้องไปคิดถึงมันเราเพียงแค่กลับมาเคลื่อนไหวรู้สึกกลับมาเคลื่อนไหวรู้สึกทุกๆขณะที่กลับมาเคลื่อนไหวรู้สึกอันนี้ก็คือละทันทีละทันทีละทันที เวลาโกรธปั๊บละทันทีไม่ต้องกําหนดรู้ในการรู้หรือผ่อนคลายบรรเทาเวลาโกรธเนี่ยอารมณ์มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็เปลี่ยนทันทีจากหลงเป็นรู้ทันทีรู้ว่ามันโกรธร่วมเกลียดร่วมไม่ชอบร่วมไม่พอใจกลับมาหาฐานกายทันทีและทันทีทุกครั้งมันจะตัดกรรมทันทีเวลาคิดถึงความชั่วในอดีตอย่างเงี้ยทำไม่ดีมาทางกายวาจาใจในอดีต เราทำคนอื่นคนอื่นทำกับเราเราก็ละทันทีอย่างไงีนะแลโดยการที่ไม่ต้องเข้าไปในอดีตอนาคตมาอยู่กับปัจจุบันรเราสามารถเปลี่ยนได้ทันทีนะอันนี้คือปริญญานะมันไม่ใช่ปริญญาทางโลกนะแต่ว่าเป็ น, นปริญญาเป็นบันดิตนะภายในจิตใจของเราที่สามารถพึ่งจิตใจของเราได้ตลอดกาลนะเพราะว่าเนะเราก็จะเห็นว่าบางทีเราฝึกเนะี่ เรียนรู้ทางโลกมากๆวิชาการทหารนะมีอำนาจสูงสามารถบงังคับบัญชานะกองร้อยกองพันอย่างนี้นะแต่ท้ายสุดพอหลังจากนั้นนะการฝึกกายให้แข็งแรงต่างๆนะแต่ว่าจิตใจมันอ่อนแอมีเหมือนกันในทหารบางคนอย่างเตอ๋อบางคนก็ฆ่าตัวตายนะแพ้จิตใจเจ้าของนะถูกความคิดของตัวเองนะมันฆ่ามันสั่งตัวเองนะหลายคน อย่างที่เราเคยได้ยินข่าวทางหนังสือพิมพ์บ้างนะทางทีวีบ้างมันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะทำไมไปให้ความคิดมันข้อบงามแล้วก็ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นนะจนท้ายสุดพ่นะายแพ้แม้ทั้งความคิดนะซึ่งมันอยู่กับตัวเองตลอดเวลาเวลาอย่านะนะีบางทีคนรักก็เป็นคนชังอย่างเงี้ยนะรักมากเกลียดมากนะพ่อแม่เรารักมากแต่ว่าท้ายสุดก็คือมองหน้าก็ไม่ติดเข้าใกล้กันก็ ร้อนอกร้อนใจอย่างเงี้ยเป็นต้นดังนั้น so เรื่องจิตใจของเราเราก็จะต้องเรียกว่าปฏิวัติเลยเปลี่ยนแปลง <ix Belgian> ทง well. ล Moi, ันทีจากทุกข์เป็นไม่ทุกข์จากโกรธเป็นไม่โกรธจากมีปัญหาเปลี่ยนเป็นปัญญาทันทีจากหลงเป็นรู้ทันทีรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวเนี่ยจึงไม่มีคําถามว่ารู้สึกตัวไปทําไมรู้สึกตัวไปทําไม ก็ที่ผ่านมาเราโกรธทําไมล่ะเราทุกข์ทำไมหัวเราะทาไมร้องไห้ทําไมทําไมต้องดีใจทําไมต้องเสียใจทําไมถ้ายังมีคําถามว่าเกิดมาทําไมจะอยู่ไปทําไมจะเรียนไปทําไมก็ต้องมารู้สึกตัวซะละ ล, ะละ่ะรู้สึกตัวรู้สึกตัวไม่ก็ต้องถามว่ารู้สึกตัวไปทําไมก็ต้องกลับมาสัมผัสรู้ความรู้สึกตัวแล้วจะได้คําตอบทันทีอย่างเงี้ยนะ คำตอบอยู่ที่ทุกกลังที่เค่อนไหวรู้สึกถ้าเราเกินไหวเรารู้สึ ก, กนั่นหมายถึงว่ามันเป็นเรื่องของปริญญาประหานัปริญญากำหัดรู้ด้วยการละทันทีไม่เข้าไปในความคิดทันทีแต่ถ้าหากว่าเราจำเป็นจะต้องคิดอันนี้มีประโยชน์มากก็เจตนาคิดลงไปการเรียนหนังสือการทางานทาการการพูดพูดยังไงประกอบด้วยเมตตา การกระทําทํายังไงประกอบด้วยเมตตาอย่างเงี้ยนะทั้งต่อหน้าและรับหลังเราก็ต้องใช้นะความคิดหรือว่าวิจารณญาณตัวนี้เหมือนกันวิจารณวิจารณญาณภนะาษาผูา้ใหญ่เราฟังยากๆ ก, ก็คือการวิจัยนั่นแหละการวิจัยวิจารณ์วิจารณญาณ ร, นะรู้ลงไปนะกลับมารู้ที่กายที่ใจของเรา เราจะเห็นความจริงแล้วธรรมชาติมันคืออะไรทั้งภายในทั้งภายนอกเสียงมากระทบทางหูรูปมากระทบทางตากลิ่นมากระทบทางจมูกรสชาติมากระทบทางลิ้นสัมผัสมากระทบที่กายของเราจิตคิดนึกปรุงแต่งความคิดต่างๆอารมณ์ต่างๆมากระทบในใจของเราเราก็อ้อ มันมีอาการมันเป็นอาการเราก็เรียนรู้รับรู้เราก็เรียนรู้เราก็รู้จักปล่อยรู้จักวางก็เบาเบาใจมันก็ไม่เป็นขยะหมักม ม, มันทินเครื่องเศร้าหมองเป็นตราบาปที่มันติดแน่นฝังตรึงอยู่ในจิตในใจของเราเพราะนั้นเวลาปฏิบัติธรรมเราก็จะได้เห็นอาการต่างๆที่ปรากฏโดยเฉพาะความคิดนี ทีเป็นปัญหาเก่าๆความทุกข์เก่าๆมันจะเกิดขึ้นมาจะรู้สึกรุ่มร้อนนะยกมือไม่ค่อยได้อย่างที่มาเจ้าเล่าให้ฟังนั่นแหละนะอีกประการนึงก็คือมันจะคิดเป็นบุญมันจะเกิดขึ้นมาคิดแล้วก็สบายใจก็จะเกิดขึ้นมาคิดแล้วรู้สึกว่าเออมีความเบามีความสุขมีความอิ่มใจนะเวลาปฏิบัติยกมือเดินจงกรมอาจจะมีพิติเกิดขึ้นมานะเป็นอารมณ์บุญนะจะเกิดการ เกิดจากการคิดนะเวลาเกิดความคิดขึ้นมาเนะี่ยแล้วก็คิดในแง่ดีด้วยนะเมื่อทีคิดถึงพระเจ้าแผ่นดินนะในแง่มุมที่ดีคิดถึงคนที่เรารักนะในแง่มุมที่ดีคิดถึงพระนะที่เราเคยเห็นแง่มุมที่ดีของท่านนะคิดถึงความดีความภาคภูมิใจที่เคยทําอะไรสําเร็จมานะ เราคิดแล้วก็มีความสุขนะอิ่ม อ, อกอิ่มใจคนลุขนพองเนระียก ว, ว่าอารมณ์บุญนะความคิดทั้งสองประเภทนะในแง่ของการฝึกเจริญสติปัฏฐานชำระจิตให้ขาวรอบนะี่เราก็จะต้องปล่อยต้องวางทั้งคู่นะคิดไม่ดีก็ต้องวางต้องปล่อยต้องวางคิดดีก็ต้องวางต้องปล่อยต้องวางหรือแค่ตัวสัมผัสรู้ที่ความรู้สึก ขนาดเกลนขนาดไหวเนี่ยทาตรงนี้ไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นกระบวนการชาระจิตของเราเป็นการเดินทางในกระแสเห็นกระแสมันเป็นยังไงที่เราเห็นกระแสก็คือจะเห็นว่าจิตมันเป็นกลางตาเห็นตากระทบรูปก็ไม่ปรุงไม่แต่งไม่มีความคิดใส่ลงไปเห็นต้นไม้เอ๊ะต้นอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่มี ต้นไผ่ไผ่อะไรไผ่เหลืองไผ่สีสุกไผ่ข้าหลามไผ่ละมัตลอกไผ่บงมันไม่มีชื่อใส่ลงไปมันเห็นเฉยเฉยมันไม่มีชื่อนะอย่างเห็นคนก็เหมือนกันเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงมันไม่ได้มองอย่างนั้นหรอกมันเห็นเป็นรูปวัตถุเป็นกิริยาอาการเหมือนกับต้นเสานั่นแหละมันก็จะเหมือนกัน เป็นวัตถุอย่างตอนนี้ถ้าใครเปิดตามองมันก็จะเห็นในกรอบเป็นภาพอยู่ในกรอบของตาเราที่สามารถจะมองเห็นได้มันก็จะมองเฉยๆนั่นแหละเป็นเพียงแค่วัตถุกริยาเหมือนๆกันบางทีเราก็จะเห็นบางคนยกมือเราก็เห็นกริยาการของเขาว่าเขเคลื่อนเขาไหวอยู่เราก็เห็นอยู่บางทีเราก็เห็นต้นสาเก็นิ่งๆหลอดไฟเราก็เห็นอย่างที่เห็นนะ มันไม่ได้เอเป็นชื่อเป็นความพอใจไม่พอใจไม่ได้ใส่สมมุติก็เรียกว่าเห็นเป็นปรมาถสภาวะเห็นสัตวว่าเห็นตามความเป็นจริงเห็นตรงๆอย่างเงี้ยลวาเราเคลื่อนมือเราก็เห็นตรงๆเราไม่ได้เห็นเป็นสมมติว่ามือกำลังเคลื่อนมันไม่มีมือกำลังเคลื่อนมันเป็นเพียงแค่ว่ารู้สึกขณะที่เคลื่อนรู้สึกเฉยๆ นั่งเราก็นั่งเฉยๆรู้สึกเฉยๆมันมีอาการเวทนาเกิดขึ้นมามันก็เฉยๆมันรู้สึกอยู่ยังไม่เปลี่ยนก็ได้กําหนดรู้ด้วยการรู้ก็ได้นะหรือว่ากําหนดรู้ด้วยการผ่อนคลายบรรเทาก็ได้เมื่รู้ว่าเจ็บปวดถึงที่สุดนะมีความอดทนแค่นี้นะจิตกําลังจะเสียสูญไปกลายเป็นโอยอย่างเงี้ยมันก็จะเปลี่ยนด้วยสติ กำหนดรู้ด้วยการปลดคลายบรรเทาแก้ไขให้เขาหรือว่าออกมาเลยจากเวทนากำหนดรู้ด้วยการละออกมาจากเวทนาเลยอยู่เหนือเวทนายกยิดขึ้นอยู่เหนือเวทนาเจ็บรู้ว่าเจ็บแต่ความเจ็บทำอะไรใจเราไม่ได้ตรงนี้ให้ซ้อมไว้ทุกกรณีเลยเราเราก็จะเห็นว่าเออมันมีประโยชน์มากมากเลย พอเจ็บถึงที่สุดที่สุดแห่งทุกข์แล้วถ้ามันเจ็บไม่ถึงกระดาษนี้มันก็ธรรมดาธรรมดาเวลานอนในห้อง i อ u ก็เเชื่อว่าวิชากรรมฐานจะได้ถูกงัดออกมาใช้มันมีสิก็ไปเยี่ยมคนหลายคนละร้องโอยโอยโอยอยู่ในโรงพยาบาลกลัวกลัวตายก็ไม่เคยฝึกมาในฐานะที่เป็นชาวพุทธตามเสานำเอาทะเบียนบ้านปล่อยให้ตัวเองแก่ฟรีๆเจ็บฟรีๆ แลเดี๋ยวไทยสุก็ตายไปปีๆเวียดไว้ไตายเกิดอยูนั่นแหละไม่ใครกําหนดรู้กายเวนาจิตธรทำไม่เคยฝึกหัดการเจริญสติรู้สึกตัวรู้สึกตัวหลวงพ่อเขียนท่านก็เคยเล่าให้ฟังเหมือนกันปุณเชาเราอาจจะเจอท่านประเทศ้เราฟังท่านเคยเล่าให้ฟังว่ามีพ่อตู้พ่อตูนี่เข้าโรงพยาบาลเมืองเลยลูกๆหลา น, ลา น, ลานก็จับส่งไปที่โรงพยาบาลผ่าตัด ปรากฏว่าท่านเจ็บมากในขณะที่เจ็บน่ร้องสูอากูมาฆ่าทำไมสูว่ากูมาฆ่าทาไมกูไม่ได้ทำผิดอะไรเอากูมาทำไมเอากูกลับบ้านร้องพยาบาลก็ต้องเอาเชือกมัดเอาไว้เอาผ้ามัดเอาไว้กับเตียงลูกก็ร้องไห้คือเสียใจพ่อก็ดูก็ด่าพยาบาลก็มัดเอาไว้ก็ทรมานนะนะ อยากพาพ่อกลับบ้านนะกลับก็ไม่ได้เพราะว่าอยู่ในบวนการรักษาอยู่ของแพทย์ของพยาบาลของโรงพยาบาลนี่ก็เลยนิมนต์หลวงพ่อนี่แหละให้ไปดูหลวงพ่อท่านก็ไปดูพอตู้พอตู้ตขณะที่กําลังร้องอยู่จำอาตมาได้บอได้อัญญากรรมเขียนไงนอาจารย์กําเขียนไงนข้าพูดอย่างนี้ ก็คือหลวงพ่อพยายามเรียกสติให้กลับมาให้รู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกตัวพระตู้เคยฝึกเจริญสติไหมรู้สึกตัวรู้สึกตัวเนี่ยเคยก็อาจารย์นั่นแหละสอนให้ไหนมือซ้ายยกซิพระตู๋ก็ยกมือซ้ายไหนมือขวายกสิพระตู๋ก็ยกมือขวาแสดงว่าพระตู๋รู้สึกตัวไหมรู้ไหม ให้ยกมือซ้ายก็ยกให้ยกมือขวาก็ยกแสดงว่าตอบรับตอบสนองกันรู้สึกตัวอยู่มีสติอยู่ในกำรร ม, มือสิในแบ ม, มือสิก็ทําตามาพลิกมือซ้ายพลิกมือขวาก็ทําตามนั่นแหละ ร, รู้รู้อยู่อย่างนั้นแหละเคลื่อนไหวรู้สึกอยู่งั้นแหละพอตัวก็ทําตามทําอยู่สักพักหนึ่งทําไปทํามาทํามาทําไป นอนหลับเลยกลองคลอกครอกคลอกเห็นไหมมันได้ประโยชน์จริงๆเลเหมือนวันนี้ที่เราทํากันนะมีความง่วงไหมใครง่วงยกมือปฏิบัติทําแล้วง่วงยกมือนั่น น, ะนี่แหละเวลามันนอนไม่หลับเนี่ยยกมือกว่าํายกมือไงพลิกไปพลิกมาเดี๋ยวก็หลับสบายอร่อยไปเล ย, เ, ยเบื้องต้นก็นได้ประโยชน์แล้วไนงะ เท็มขันที่สุดก็คือเบื้องหลังความง่วงนะเมื่อเราปฏิบัติไปเรื่อยๆนะัจะรู้ตื่นเบิกบานเบื้องหลังความง่วงนะมีโบนัสให้มีรางวัลใหนะ้มีตัวปิติให้มันมีอยู่นะลองทําไปทําไปแล้วผ่านจะรู้สึกโอ้โหบางทีนะสว่างสวัยขึ้นมาต้องทะลุนะความง่วงเนะี่ยทำไปเรื่อยๆเวลามันง่วงจะไปตามใจตัวเองนั่งหลับยกมือไม่ขึ้น เปลี่ยนเป็นเดินจงกรมยกมือมันง่วงนะเปลี่ยนเป็นเดินจงกรมกําหนดอีหยาบทใหม่เวลาเราใช้อีหยาบทเดิมซ้ําๆซ้ำๆซ้ำๆเนี่ยจิตมันจะมีนิสัยขี้เบื่อให้สังเกตให้ดีจิตใจของเราจะมีนิสัยขี้เบื่อมันเป็นมานานตั้งแต่ก่อนที่จะมาปฏิบัติแล้วล่ะทําอะไรซ้ําๆฟังเพลงซ้ําๆดูหนังซ้ําๆกินอาหารซ้ําๆมันเบื่อ ดูหนังหนังสือเรื่องราวซ้ําๆมันเบื่อคุยกับคนเดิมประโยคซ้ําๆเรื่องราวเดิมๆมันเบื่อเสื้อผ้าใส่ซ้ําๆรองเท้าใส่ซ้ําๆมันเบื่อทรงผมทรงเดิมซ้ําๆมันเบื่อมันหาเรื่องเปลี่ยนอยู่เรนะื่อยล่ะพอเรามายกมือสิบสี่ยังไงมันทําซ้ําๆเนี่ยทั้งวันไม่เห็นทําอะไรเลยยกมือทั้งวันเดินทั้งวันมันก็แสดงความเบื่อออกมา เพราะนั้นความเบื่อไม่ใช่หมายถึงว่ามันทําให้เราทุกแต่ความเบื่อกําลังออกมาให้เราเห็นว่าเนี่เราคือตัวเบื่อนี่แหละคือสภาวะธรรมเมื่อมีสติหยิบความเบื่อมาใช้ก็จะกลายว่าเบื่อแล้วเกินความยากจนที่ผ่านมาเบื่อแล้วเกินความทุกข์ที่เราเคยหลงทําตามแล้วก็ท้ายสุดก็คือรู้อย่างนี้ไม่ทํำซะก็ดีเบื่อแล้วเกินทําให้วันอื่นก็โกรธ แล้วเกินทําให้มันก็ทุกเพระเราเบื่อไหมอันนี้ดีไหมเบื่อแล้วเกินก็ทําอะไรตามใจตัวเองแล้วท้ายสุดก็คือชีวิตมันถอยหลังมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาความง่วงเหมือนกัน <c oughs> เข้ามาให้เรารู้จักว่าเนี่ยเราคือความง่วงกังเกินเนี่ยมีสติแล้วหยิบชั้นมานะแล้วก็นอนหลับความง่วงจะพาให้นอนหลับ เวลาปฏิบัติงานหรื ว, ว่าขับรถขับลาเรียนหนังสือหรือ ว, ว่าปฏิบัติธรรมแล้วก็ง่วงอันนี้มันมาไม่ถูกจังหวะเราก็ไม่ต้องทําตามเขาอย่างเงี้ยก็มาบอกว่าฉันคือความง่วงฉันคือความเจ็บความปวดฉันคือความคิดเหมือนกับมาบอกว่าเขาคือใครแล้วก็อยู่กับเราเราก็เก็บไว้จัดไว้ให้ถูกที่ถูกทางหมาการใช้ของของกินของใช้นะ เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆใช้เสร็จเราก็เก็บให้ถูกที่ถูกทางหยิบก็ง่ายหายก็รู้ดูก็งามตาอย่างเงี้ยมันถูกที่ถูกทางสภาวธรรมก็เหมือนกันก็จะบอกว่าฉันคือความเจ็บความปวดความเมื่อ ย, ยเราก็อ้อเหลอเราก็คุยกับร่างกายของเราร่างกายก็คุยกับเราแค่นี้ฉันก็พอแล้วนะอย่างเงี้ยเราก็ตอบสนองเกี่ยวข้องก็ให้ถูกเฮ้ย hey, มันไม่ได้นะลองทนอีกนิดนึงน เราสอนเขาอย่างเงี้ยลองคุยเขาดูกําลังกายฉันปวดปัสสาวะแล้วนะเขาก็บอกไปเธอขอฉันไปเธออย่างเงี้ยเราก็เอออีกนิดนึงก็ได้นะฉันกำลังมาฝึกเธออยู่เงี้ยลองคุยกันดูนะคุยไปคุยมาเดี๋ยวเราก็อ่อสอนได้จริงๆนะกายใจของเราเนะี่ยฝึกได้จริงๆเนะอลิงข้างช้างป่าเอามาหัดสารพัดหัดได้ทั้งใจหมาย เราเป็นคนนะก็มีครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์หมายถึงว่าตัวเราเองฝึกตัวเราเองนะเราเองเป็นครูของตัวเองนะไม่ต้องให้คนใครหรือว่าคนอื่นฝึกเราเรากำลังฝึกเราเป็นครูที่ดีที่สุดนะเราเป็นคนนะครูก็คือตัวเราเองนะอุตส่าห์ฝึกตัวเราเองนะจนแทบตายนะถ้าเรายังฝึกตัวเราเองไม่ได้ก็ไอลิงเพราะลิงมันฝึกง่าย มาสองวันก่อนนะไปเชียงใหม่มานะมีวิทยาลัยฝึกลิงโอ้ยเข้าออลิงว่เร่นละครลิงนะสั่งให้มันตีลังกามันก็ตีลังกาใหญ่เลยตีลังกาใหญ่เลยแล้วเสร็จแล้วเขาก็หลอกเราอีกเขาบอกว่าเนี่ยลิงกําลังเต้นลาใครดูไหมฉากเนี้ยลิงมันไม่ได้เต้นหรอกข้าไม้ไปตีขามนะันอ่ะมันก็ยกหลบอ่ะเปิดเพลงแล้วเอาไม้ไปตีขามัน ถ้าเป็นเราคนเอาไม้มาตีขาเราจะยกหลบไหมลิงก็ยกหลบไปเลยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บก็บตีตรงจังหวะเพลงมันก็ยกหลบตรงจังหวะเพลงแหมหนาลิงเต้นเต้นลำก็ฝึกมันแบบนั้นของเราไม่ใด้หลอกกันอย่างนั้นนะทุกครั้งที่รู้สึกตัวไม่ได้เข้าไปในความคิดนะก็ดูเอาสนะิไม่มีใครหลอกเราได้นอกจากตัวเองหลอกตัวเองปีหลอกก็ไม่น่ากลัวคนหลอกก็ยังไม่น่ากลัวแต่ตัวเองหลอกตัวเองนี่น่ากลัว ไฮลในตัวคือตัวเราเองนี่ยละมันหลอกตัวเราเองให้ฆ่าตัวตายหลอให้แขวนคอตายหลอกให้กินเหล้าหลอให้สูบบุหรี่หล่อให้เที่ยวเตเล่ล่อนมันหลอกตลอดหลอให้คนที่รักในชังกันพระเจ้าก็เลยเตือนเราเตือนเราให้ละช่วยทำดีให้ชำระจิตให้บริสุทธิ์ให้เราประมาณในการบริโภคให้มีความอดทนอดกลั้นอย่างเงี้ยนะให้มีความเพียร ก็บอกเราก็เอามาทํากันนะคำเตือนนี่สําคัญนะอย่างเช่นทางภาคใต้เขาเตือนกันทวากาฟ้าเหลืองเนี่ยให้เอาเรือเข้าฝั่งให้เร็วที่สุดนะถ้าเกิดนะน้ําทะเลแห้งไปนละ้วให้วิ่งหนีให้เร็วที่สุดสนั่นแหละซูนามิมันจะมาเขาเตือนกันอย่างนี้เลยนะบางทีก็มีไซเรนเนะบาเบาเบาเเตือนใครอยู่ที่ทะเล ก็วิ่งขึ้นชัฟฝั่งให้เร็วที่สุดอย่างเงี้ยนะสุนามทิที่เกิดมา่อนปะีวันที่26นะ่ี่ห้าหปีที่ผ่านมานันะ่นะอันนั้นก็คือภัยนะที่เกิดกับคนที่ไม่รู้ว่าเวลาน้ำทะเลแห้งมันจะเกิดอะไรขึ้นมาเผาเมอแกนก็วิ่งขึ้นหนีที่สูงแล้วสุนักนะยังมีสันชติยานเลยวิ่งขึ้นที่สู ง, งแต่ว่าหลายคนคนเมือง ไม่เคยได้ยินมาได้ฟังมาก่อนว่าน้ำทะเลแห่งต้องวิ่งขึ้นที่สูงกลับไปดูกันโอ้โหวันนี้ใช้ฟังสวยนะเก็บประกาลังเก็บห อ, อยจับปูจับปลาปลาหมึกติมคาตามขวดหินไปจับมันมากินท้ายสุดเป็นยังไงคืนมาเท่ายอดมาลาพ้าวประมาณสิบอดถึงสองเมตรนะวิ่งนาตังลำพลไหมท้ายสุดยังหาศพไม่เจอก็มากเขาเตือนแล้วนะ แต่ว่าไม่เชื่อหรือว่าลืมไปอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพระเจ้าเตือนมาสองพันปีนะเราอย่าลืมกันอย่าประมาทให้มีความรู้เนะื้อรู้ตัวมีสติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นเวลาเราเคลื่อนมือมันจะมีตัวเราเองอยู่ตัวกายของเราเนะี่ยนี่คือสัมปชัญญะทุกครั้งที่รู้สึกตัวนะคือสติมีทั้งสติมีทั้งสัมปชัญญะปัญญาก็จะเกิดเมื่อเรารู้จักตัวเราเองนะเห็นตัวเองบ่อย ถ้า4 5, กัน5้ากายใจของเรารูปธรรมนามธรรมเนี่ยมันมีอาการล้วก็จะรู้จักอาการนั่นแหละมันเกิดปัญญาขึ้นมาก็คือไม่เข้าไปเป็นในอาการเหล่านั้นออกมามีจิตใจที่มันอยู่เหนือเหนือกายเหนือเวนาเหนือจิตเหนือธรรมมันเหนือได้ก็เรียกว่าเหนือทุกข์เหนือโลกโลกุตล่างก็กกอยู่นีนะ้จิตใจที่เป็นปกติมันก็จะมีความสงบเย็นแล้วกเกิดประโยชน์สูงสุดนะเราะฉเตือนจึงมีความหมาย อีกลายหนึ่งเขาเตือนแล้วไม่เชื่อกันเด็กหญิงชื่อซอยเพชรนามสกุลบุญน้อยพ่อเขารักลูกมากก็ เ, เตือนหนูอย่าไปเล่นตรงนั้นนะก็คือมันมีหลุมฐานลากนะฐานลากแบบขจรองลงไปในดินนะกว้างประมาณ30เซนปรากฏว่าเด็กเขาไม่รู้เรื่องนะยิงห้ามมันยิงยุก พ่อเพอนี่เดียวไปเล่นแหละตกไปในรูเสาเข็มทีนี้เสาเข็มมันก็ลึกนงะมันลงก็ไม่ได้ขึ้นก็ไม่ได้ทําไงล่ะทีนี้ลมหายใจค่อยแผ่วลงอ่อนลงอ่ อ, อนลงออกซิเจนมันน้อยหายใจไม่ออกสมัยนั้นนี่ไม่มีกล้องตัวท่านจอนปิดไม่มีวิธีการช่วยเหลือที่ดีพอที่ทันสมัย ก็จึงคิดเอาตามภาษาของคนที่อยากช่วยคนนะงอเหล็กเหล็กขออ้อยประมาณ3หุน3หุนแล้วก็ฝนปลายให้แหลมแหลมแล้วก็งอเหมือนเบ็ดแล้วค่อยๆย้อนลงไปก็แก๊กก็แก๊ก็แก๊ก็แก๊ถ้าเป็นเราตกลงไปสมมุติเราจะคิดยังไงตอนนั้นขึ้นก็ไม่ได้ลงก็ไม่ได้กําลังจะขาดใจตาย อาตมาก็เชื่อว่าทุกๆคนก็คงคิดเหมือนกับที่อาตมาคิดอยู่เนีก็คือรู้อย่างนี้เชื่อพ่อสักก็ดีรู้อย่างนี้เชื่อพ่อสักก็ดีเพราะความไม่เชื่อท้าทายแล้วท้ายสุดภัยก็ถึงตัวท้ายสุดน่นนะก็ช่วยมาได้คือเอาเหล็กเกี่ยวมันเกี่ยวอยู่ตรงนี้ตรงคางนะีแล้วก็ดึงขึ้นเจ็บไหม ดึงขึ้นมาดึงดึงโอ้ขึ้นมาได้ก็เป็นศพเลือดโชคตายพรนกรรมเตือนจึงมีความหมายมากเราก็ฟังกันเด่เพรา ะ, ะโอ้สมเน็จตํามมของเจ้าหรือว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต่างๆมิตรสหายนะการยามิตรที่ปัตนาดีต่อกันเราก็รับฟังเราเสร็จแล้วเราก็ปฏิบัติตาม ผิดครั้งแรกก็เป็นโครนะูครั้ง2 3 4 5ก็ถือว่าเราผิดพลาดแล้วละอย่างงี้ยนะเราก็จึงไม่ปล่อยโอกาสไม่ปล่อยเวลานะใหนะ้กิเลสมันครอบงามันลอยนวลอยู่ในชีวิตของเราต่อไปเราก็พยายามที่จะฝึกแล้วก็ฝนนะรู้ความรู้สึกตัวมากเท่าไหร่มีสติแล้วรู้ความรู้สึกตัวมากเท่าไหร่กายเคลื่อนกายไหวรู้สึกตัวนะกายยันกับหน้าที่ตรงนี้การงานชิ้นนี้มากเท่าไหรนะ่เราก็จะ มีสติมีความปัญญามีความเฉลียวฉลาดแล้วก็ออกจากทุกได้มากเท่านั้นอย่างแน่นนะกบพูดสำหรับการปฏิธรรมเต็มๆวันวันแรกนะของนะวิทยาลัยราชสุดานะที่จังหวัดสุรินที่ส่งนะลูกศิษย์มาฝึกจานวนร้อยกว่าชีวิตนะแล้วก็เป็นกลุ่มนะประจำเดือนที่มาโดยสตารานะก็คงจะมีนะ ประสบการณ์เหมือนๆกันก็คือเห็นกายเคลื่อนไหวแล้วก็เห็นใจเวลามันคิดมันปรุงมันแต่งแล้วก็อารมณ์ที่มันเกิดขณะปฏิบัติระหว่างที่เราปฏิบัติแล้วก็ผ่านได้บ้างหรือว่าไม่ได้บ้างอย่างนี้นเราก็พยายามทําเพื่อให้เกิดนะเรียกว่าภูมิจิตภูม่มธรรมหรือวความรูนะ้ในหลักการของพูทศาสนา ก, ก็คือปัญญา เทียมไทยเกิดการชำระจิตรู้แจ้งรู้จริงนะเกิดความส่องสวยัยนะเป็นแสงสว่างที่นำทางชีวิตของเรานะเป็นคุณค่าของชีวิตที่เหลืออยู่ที่เราจะได้ใช้ต่อไปเราก็จะฝึกหัทําให้มันพอใช้จนกระทั่งมันพึ่งได้แล้วก็ใช้เท่าไรก็ใช้ไม่หมดนะ mm hmm. ก็คือรู้สึกตัวเหมือนกับลมหายใจทุกๆครั้งที่หายใจ เราก็หายใจครั้งหนึ่งขนาดหนึ่งแล้วก็ใช้แล้วก็จบความรู้สึกตัวก็เช่นกันแล้วก็เคลื่อนไหวรู้สึกรู้สึกครั้งหนึ่งแล้วก็จบก็จึงต้องรู้สึกต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งน่นแหละหมดลมหายใจนะลาลับจากโลกนี้ไปนะก็ขอให้สิ่งที่เราทำนะี่มันเป็นสิ่งที่นะปรากฏแล้วก็สามารถสัมผัสได้จริงนะก็ขอให้ได้พบเจอกันโดยตัวหน้าการทุกท่านทุกคนนั้นเทิน